จันทส า, าระเจตยยนุสรหนังสือที่ระลึกในการเสด็จพระราช ด, ดำเนินส่ง เ, เปิดเจดีหลวงปู่หลุยจันทสาวโรนะวัดป่าสุทาวาตอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกล น, นครวนันที่18เดือนตุติกายน2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สำเ็จท่านนางเจ้าพระบระมราชินีนาตเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดเจดีย์ที่พิพิธภัณฑ์หลวงบุหลุยสันทาสาโรนาวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครวันจันทร์ที่18ปพฤศจิกายน2539รส ประวัติหลุงปุ่นหลุยจันทะสาโรชื่อเดิมวอวอรบุตรชาติตรโกูลเกิดวันอังคารขึ้นสี่ค่ำเดินสามตีฉลูตรีศกชุลศักราฎสองพันสอรบาตรงกับวันที่สิบอ็ดกุมภาพันธ์พุทธศกราชสองพสสสิบสที่ตำบลกุดปอง อเภอเมืองเลยบิดาชื่อคำพ่อยวอรบุตรบุตรเจ้าเมืองแก่นเท้าฝั่งซ้ายแม่นำ้ำโขงขณะนั้นยังรวมอยู่ในเขตประเทศไทยถึงแก่กรรมเมื่อหลวงปู่อายุได้เจ็ดขวบมารดาชื่อแม่นางกวยทิดาผู้มีอันสกินในตัวเมืองจังหวัดเลยที่สาวชื่อแม่นางบวยบุตรีอันเกิดจากสามีคนแรก ของแม่นางกวยน้องชายชื่อสุขวรบุตรการศึกษาจบชั้นประถมะศึกษาปีที่สามโรงเรียนวัดสีสอาดซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของจังหวัดเลยในขณะนั้นอยากศึกษาต่อที่กรุงเทพแต่บรรดาไม่ส่งไปเพราะไม่มีญาติที่จะดูแลชีวิตก่อนบวช สนใจในทางธรรมนี่จากเรียนหนังสือในโรงเรียนวัดได้ฟังเสียงสวดมนต์ไหว้พระเสมอท่านเจรจากออกความเห็นเหมือนครูบาครูและเพื่อนเพื่อนจินรียกันว่าบาชอบปลิดตัวไปนั่งริมแม่น้ำแล้วคิดไปว่าชีวิตมนุษย์เหมือนสายน้ำไม่มีหยุดอยู่กับที่จนวันหนึ่งระหว่างที่ท่านกาลังนั่งเพ่งมองน้ำเพลอยู่นั้น จิตก็รวมตัวเข้าสู่ความสงบเกิดมิตเห็นแสงสว่างเป็นลำแสงคล้ายสีรุง้งพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าในใจก็รู้สึกขึ้นมาว่าต่อไปจะต้องบวชและบวชเป็นพระ ก, กรรมฐานด้วยทางทังที่ตอนนั้นท่านมีอายุได้เพียงเก้าขวบแต่ยังไม่เคยรู้จักคำว่ากรรมฐานเลยพ่าเล่าเรื่องนี้ให้สิษ์ฟังและอธิบายว่า คงเป็นนิสัยวาสนาที่เกิดสั่งสมอบรมมาแต่ชาติก่อนๆมาเตือ น, นั่นเองพุทธศักราช2460ได้เข้าทำงานเป็นเสมียนฝึกหัดกับพี่เคยซึ่งเป็นสมุบัญชีนแผนกสรรพากร อ, อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนอายุ18ปีได้บรรจุเป็นเนสมียนจริงขณะรับราชการ ที่อำเภอเชียงคานได้เข้านับถือศาสนาคริสต์อยู่ห้าปีระหว่างนั้นถูกเรียกว่าเจรุยจนได้ใช้เป็นชื่อหลุยรื่อยมาต่อมาย้ายไป ร, รับราชการที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วละพอกอุปสมบทการบวชขณะนับถือศาสนาคริสต์และเข้าไปช่วยกิจกรรมได้พบเห็นสภาพของสัตว์ใหญ่น้อย ที่ถูกฆราชีวิตเพื่อนำมาทำเป็นอาหารตามแบบตะวันตกอย่างมากมายจึงเกิดความสลดสังเวชใจประกอบกับมิเรื่องอินแนงแกลงใจกับผู้บังคับบัญชาที่ท่านรับรชาชการอยู่ด้วยทำให้อึดอัดใจในชีวิตพรรวาดเป็นอย่างมากจึงจะตัดสินใจเข้าสู่ร่มเงาแห่งพระบวรพุทธศาสนาด้วยการอุปสมบทที่วัดในอาเภอแสงบาดาล ปัจจุบันเป็นอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อปีพุทธศักราช2466โดยมีอายการภาพเป็นเจ้าภาพบวชให้บวชแล้วจับรรษายอยู่ในอำเภอแจงบาดานนั้นพุทธศักราช2467หลังจากผ่านการคัดเลืกอกทหารแล้วไม่ถูกเกณฑ์ได้ขอยติใหม่เป็นพระธรรมยุทธ ที่วัดติสะอาดอเ ม, มืองเลยและอยู่ในปรกคองเพือ่อนิสัยของท่านพระอาจารย์บุญปัญญาวุฒโธพุทธศักราช2468มีความสงสัยว่าพิธิกรรมในการอุปสมบทที่ทำไปแล้วอาจจะไม่ถูกต้องจนการภาวนามีอุปสรรคขัดข้องในจิตอยู่เสมอท่านพระอาจารย์บุญจึงพาไปอุปสมบทซ้ำใหม่ ที่วัดโพธิสมพรตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดอรธานีเมื่อวันที่14พฤษภาคม2468เวลา13นาฬิกา8นทีพร้อมกับหลวงปู่ขาวอนาลโยด้วยหลวงปู่หลุยเป็นนาขวาหลวงปู่ขาวเป็นนาคซ้ายมีท่านเจ้าคุณสัทธรมเจดีจูมพันธุโล เมื่อครั้งเป็นพระโคสังฆวุตติกรเป็นพระอุปชาและท่านพระอาจารย์บุญปัญญาวุธโธเป็นพระกรรมวาจาจารย์หลวงปู่จึงนักปรรษาที่หนึ่งอยู่ถึงสามครั้งจริยาวัตรกตเวทีสนองคุณโยมมารดาและ ผู้มีคุณหลวงปู่อลึกถึงผู้มีพระคุณอยู่เสมอและหาโอกาสที่จะสนองคุณของท่านเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโยมมารดาแม้เมื่อบวชไม่ได้ให้ท่านเป็นเจ้าภาพบวชแต่หลวงปู่ก็นึกถึงโยมมารดาอยู่ไม่ได้ขาดเมื่ อ, อย่างเข้าภรรษาที่สิบสามพอมีหลักใจแล้วหลวงปู่พิจารณาว่าเป็นเวลาอันสมควร กลับไปโปรดโยมมันดาจึงกราบลาท่านพระจย์เสากันตาซีโลจากบริเวณจังหวัดนครพนมมุ่งหน้ากลับจังหวัดเลยแต่พักที่ป่าชา้าหนองหมักผางตำบล น, นา อ, อ้อแล้วเข้าไปโปรดโยมมันดาที่บ้านเดิมจากการสนทนากับโยมมันดาหลวงปู่จึงมีความตั้งใจเกิดขึ้นในภัษาที่ส3บสานั้นว่า จะบวชอยู่จนตลอดชีวิตหลวงปู่บันทึกไว้ว่าพุทธศักราช2480ได้ถามแม่กลวยกำเนิดในท้องจิตเดือนเจ็ท้องหนึ่งคืนรุ่งจวนสว่างคอดอยู่กรม21วันอยู่ในท้องนั้นใหญ่จนแม่ํำแย่แม่โซนพันพักทวงว่าใหญ่นัก จะออกไม่ได้แม่เลยตกใจนี่แหละคุณของแม่เช่นนี้เราไม่กล้าสึกเพราะฉะรองคุณบิดามารดาให้เต็มเตรียมในชาตินี้บริฐารของรั ก, กรรมฐานอย่างหนึง่งที่ลุงปู่จัดทำขึ้นเป็นประจำคือกดแม้จะยุบพันตามากแล้วร่างกายชาราภาพและมีอ า, าพาธรบกวนอยู่เสมอแต่ลุงปู่ ก็ยังไม่เลิกการทำกรดซึ่งท่านจะลงมือทำร่มกรดเองตั้งแต่ตับและผ่าไม้ภผ่แล้วเหล่าที่กรดส่วนมุงกรดท่านนิสัยพระขาวมายึดไปหลังๆแล้วมอบให้พร้อมกับร่มกรดท่านกล่าวว่าการให้กรดและมุงเป็นทานเพื่อส่งเสริมการผดงนี้ท่านตั้งใจทำเพื่อเป็นกุศล รึกถึงพระคุณของพระกรรมฐานจากอาเภอโพนทองรูปหนึ่งที่ท่านได้พบตั้งแต่เมื่อบวชครั้งแรกสุดออกพรรษาแล้วเดินทางไปนมนัสการพระธาตุพนมระหว่างทางได้เพิ่พระกรรมฐานรูปนั้นซึ่งเมื่อทราบว่าหลวงปู่ยังไม่มีโจรละมุงก็จะถวายโจรละมุงให้หลวงปู่หลวงปู่จึงรึก ถ, ถึงบุญคุณนี้ตลอดมาประการหนึ่งอีกประการหนึ่ง ด้วยท่านตั้งใจบูชาพระคุณโยมมารดาและพระคุณของไม่ชีจำสองที่ได้เกิดให้อุบายวิธีการมางกายแก่ท่านตรวมทังบรรดาญาติโยมผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูท่านมาแต่สมัยท่านยังเด็กซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรีร่วมกรดที่ท่านทํำจึ้มกรดสีขาวมอบให้แก่ไม่ชีและอุบาติกาที่รักษาศีลอุโบสถหลังจากพรรษาที่ห้าสิบ หลวงปู่ได้เดินทางออกจากภาคอีสานไปโปรดประชาชนในภาคต่างๆท่านบอกว่าคิดถึงคนภาคกลางเช่นเดียวกันโดยเฉพาะคนจังหวัดพระนครเพราะคนจังหวัดพระนครได้ส่งปัจจัยไปช่วยเหลือทางภาคอีสานอยู่มากในด้านการก่อสร้างศาสนวัตถุต่างๆท่านถือเป็นบุญคุณที่ต้องตอบแทน่ทผู้เริ่มใสศรัทธาในศาสนา ให้ได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างถูกต้องสำหรับชาวจังหวัดพระนครซึ่งในระยะหลังท่านเรียกว่าคนกรุงเทพจุงปู่ปรารถนาที่จะให้พันดาสิทธ์ได้รักษาศีลแปดในวันอาทิตย์โดยให้เหตุผลว่าวันจัซึ่งเป็นวันรักษาศีลอุโบสถนั้นคนส่วนใหญ่ต้องไปทำงานไม่มีโอกาสไปวัดดังนั้นควรจะรักษาศีลแปดในวันอาทิตย์ แผวบนพระให้ได้ในการแสดงธรรมเทศนาโปรดคนกรุงเทพท่านมักจะหยิบยกเรื่องการบริจาคทานการรักษาศีลการเจริญภาวนามาย้ำเตือนอยู่เสมอและย่างสอนวิธีการปราบแบบเบญจางคพระประดิษฐ์โดยท่านจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างคือเข่าทั้งสองมือทั้งสองตองต้องจดพื้นหน้าผากต้องแต่พื้น ด้วยจึงจะงามแล้วจิตจะต้องน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธในการกราบครั้งที่หนึ่งรำลึกถึงคุณของพระธรรมในการกราบครั้งที่สองและรำลึกถึงคุณของพระสงฆ์ในการกราบครั้งที่สามกรตันยูเคารพยกย่องครูบาอาจารย์ยลุงลุยมีความกรตันยูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่เมตตาสั่งสอนท่านมาทุกรูปได้แก่ท่านพระอาจารย์บุญปัญญาพุทโธ ท, ท่านพระอาจารย์สิงห์กัญเตยคโมท่านพระอาจารย์เสากันตสิโลท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตจะเห็นได้ว่าท่านปฏิบัติปรับใช้ท่านพระอาจารย์บุญอยู่ถึงหถึงเจ็ดปีตราบจนกระทั่งท่านพระอาจารย์บุญมรณภาพในปีพุทธศักราช 2,473 จัดงานถวายเพลิมเสร็จแล้วยังอยู่ช่วยสร้างเจดีย์บรรจุอธิภาตของท่าพระจารย์บุญไวที่วัดพระพุทธบาทหัวโบกจนเห็นว่าภาระหน้าที่อันสมควรจะททำถวายครูบาอาจารย์ในรุ่ลูกไปแล้วท่านจึงได้ออกวิเวกสุดงต่อไปท่านได้ปฏิบัตริรับใช้ท่าพระจารย์เสา เช่นเดียวกับได้ที่ปฏิบัติท่านพระอาจารย์บุญในระหว่างพรรษาที่12พุทธศักราช2479และได้บันทึกถึงท่านพระอาจารย์เสาด้วยความประทับใจหลายประการความเคารพรักยกย่องเทิดทูนระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์นั้นเป็นคุณธรรมประจำใจอย่างหนึ่งของหลวงปู่แม้ในการเทศนาท่านก็มักน้อมนาธรรมะ ที่ประทับใจจากคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์มากล่าวถึงด้วยความเคารพที่มีเสมอคือการกล่าวยกย่องท่านอาจารย์มั่นทั้งๆ ท, งที่ธรรมะบางประการที่ท่านปฏิบัติแล้วประสบผลสาเร็จอาจกล่าวได้ว่าเป็นธรรมะที่ท่านพบเองแต่เวลาที่ท่านเทศนาท่านจะยกย่องเสมอว่าท่านอาจารย์มั่นว่า ให้ดูเหมือนว่าท่านไม่ได้มีความรู้อะไรด้วยตนเองเลยจะอ้างท่านพระอาจารย์มั่นตลอดเวลาแต่ท่านก็จะกล่าวตบท้ายว่าแต่ความจริงก็เป็นเชนั้นซึ่งหมายความว่าท่านได้ปฏิบัติแล้วได้ประสบผลแล้วแต่ก็ะความเคารพในครูบาอาจารย์อย่างสูงสุดจึงนํามากล่าวถึงอยู่เสมอแม้ในระยะ จิตของท่านและถึงความจริงว่าตนเป็นที่พึ่งของตนแต่หลวงปู่ก็ยังระลึกถึงคุณของตำหักตำราและครูบาอาจารย์อยู่เสมอในฐานะผู้พาดําเนินดังที่ท่านบันทึกไว้ว่าที่ถึงความรู้เต้าไตปิฎกและท่านป้ายจารย์มั่นสอนจิตอยู่เสมอทางอื่นเป็นตัวกิเลสทั้งนั้นไม่เป็นปฏิปชาให้สิ้นทุกได้เลยท่านอาจารย์บุญ ท่านอาจารย์เสาท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์สิงท่านเหล่านี้ได้เคยปกครองเราเคยให้อุปวสัสสั่สอนเราให้นิสัยเราฝึกเปลือเราความประทับใจต่อท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลงปู่หลุยได้พบกับท่านพระอาจารย์มั่นครั้งแรกเมื่อติดตามท่านพระอาจารย์บุญ ไปยังอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายได้อยู่รับฝังโอวาทฝึกปฏิบัติกับท่านพระจารย์มั่นอยู่ระยะหนึ่งท่านได้บังเกิดความเลื่อมใสจดจำและความผูกพันต่อท่านพระจารย์มั่นเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านพระจารย์มั่นออกผู้ดวงไปทางจังหวัดภาคเหนือในพุทธศักราชสองพันสรเจ็ดสิบห้ามันดาจิตรวมทั้งลุงปู่ต่างรู้สึกอ้างวาง ว้าเวนึกขาดอาจารย์ที่จะคอยอบรมสั่งสอนเมื่อทราบว่าท่านพระอาจารย์มั่นกลับมาจากพรรษาที่วัดป่าโน น, นนิเวศจังหวัดอุดอรธานีในพุทธศักราช2483หวงปู่ซึ่งจากพรรษาอยู่ที่บ้านโพนสว่างจังหวัดสกล น, นครพอ่อปรรษาท่านกรีกลุดประกาศท่านพระอาจารย์มั่นจังหวัดอุดอรธานี ทันทีอย่างที่ท่านเล่าในภายหลังว่ายังไม่หยุดชุดไม่อยู่ทีเดียวละหลังจากนั้นท่านก็ได้ติดตามเวียนเข้าเวียนออกอยู่ใกล้ท่านพระอาจารย์มั่นเพื่อรับฝังการอบรมให้ได้อุบายธรรมะจากท่านพระอาจารย์ใหญ่มาโดยตลอดตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2484ท่านพระอาจารย์มั่น ปุริธัตุมหาเทระรับอารันานิมนต์กลับมาชกนอครแล้ววนเวียนทักอยู่โปรดพุทธบริจัตในท้องที่นี้เช่นวัดปาสุถาวาด ส, สำนักป่าบ้านนามนบ้านโคบ้านหัวหีบบ้านหัวแคงบ้านนาสีนวนหลวงปู่ก็คอยติดตามฟังธรรมของท่านพระอาจารย์ใหญ่อยู่มิได้ขายระยะ โดยจำพรรษาที่18ถึง19ได้ใกล้ทำงปรจานมันในเขตอำเภอพนานิคมและอำเภอขุดบาทนั่นเองในปีพุทธศักราช2487หลวงปู่จำพรรษาที่20ที่วัดป่าบ้านหนองผือตำบลน า, นานในอำเภอพนานิคมซึ่งเคยอยู่จำพรรษาและเริ่มสร้างวัดไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,478 พอถึงดูแลงของปีพุทธศักราช 2,488 ท่านพระจารมั่นออกจากบ้านนามนมาพักอยู่ที่บ้านห้วยขีา3เดือนเศษระหว่างนั้นหลวงปู่ได้เข้าไปศึกษาปฏิบัติอยู่ร่วมกับท่านพระจารย์ใหญ่แล้วแยกกลับมาที่วัดป่าบ้านหนองผือเพื่อตรเสรีสถานที่เสนาสนะและบุคคลไว้รอรับท่านพระจารมัน ซึ่งโปรดเมตตาแก่ชาวบ้านน้องผือที่ผักกันไปรัฐนานิมนต์ไว้ว่าจะมาอยู่จำภาษาให้เรียบร้อยแล้วหลวงปู่ก็ออกไปพักอยู่ที่บ้านนาเหล่าบ้างบ้านห้วยบุญบ้างปล่อยวัดป่าบ้านน้องผือว่าให้เป็นเหมืองวัดปรางไม่มีใครอยู่ก่อนที่ท่านพระจันทร์มั่นจะมาถึงด้วยความเรียบร้อยในทุกๆด้านที่หลวงปู่ แอบพาชาวบ้านตระเตรียมไว้อย่างแงบเนียนและศรัทธาท่านพระจารย์มั่นจะอยู่จำพรรษาที่วัดป่าบ้านหนองผือเป็นเวลานานติดต่อกันถึงห้าพรรษาใก้แต่ปีพุทธศักราช2488ถึง2492จนกระทั่งท่านอาภาษหนักและออกไปมรณภาพที่วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมืองสกลนครเป็นเหตุให้วัดป่าบ้านหนองผือใช้ชื่อเป็นทางการว่าวัดภูริ ธ, ธตรที่ปราวาดในปัจจุบัน